ก็อยากจะฝากให้โยมไป <c oughs> ทำเหมือนอยู่ที่นี่หรอคือคืออยากให้มันต่างกันระหว่างที่วัดกับที่บ้า น, นไม่ใช่กลับไปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จริงมันมีเวลาปฏิบัติตลอดเพราะเรารู้สึกตัวได้ตลอดรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ก็ให้ให้มันรู้เองให้มัน ให้เราเป็นสังเกตว่าเรามีความรู้สึกตัวก็ก็รู้เวลาไม่มีก็ก็ก็รู้ว่ามีมีมนะคืออย่าไปพยายามที่จะให้มันมีตลอดนะแต่เราสามารถรู้ได้ตลอดนะสังเกตว่าเวลาเราหลงเวลาไม่รู้เวลาเราคิดเวลาเรามีอารมณ์อะไรเนะี่ยถ้าเราสามารถที่จะ เห็นความรู้สึกตัวแล้วก็จะเห็นอารมณ์เหล่านี้ได้เหมือนกันนะคืออย่าอย่าไปคิดว่ารู้สึกตัวดีกว่าความหลงความไม่รู้นะถ้าโยมคิดว่า อ, อยู่วัดดีกว่าอยู่บ้านรู้สึกตัวดีกว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือมันมันมันยังแตกต่างกันอยู่ทนะ่านเปไงเราถึงจะเฉยๆกับความหลง ควาไม่รู้ความคิดคฟุ้งซ่านอารมณ์ที่เป็นนะถ้าเราเฉยๆกับความรู้สึกตัวถ้าเราได้อารมณ์ปฏิบัติได้อารมณ์อนะถ้าเราไม่ติดนะไม่ติดสถานที่ไม่ติดวัดไม่ติดครูบาอาจารย์ไม่ติดวิธีการนะเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีเราคิดมากะเจออารมณ์ไม่ดีเนะี่ยเราก็จะที่เราที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราไปติด ในในส่วนที่ดีเนาะพอเจอเื่องไม่ดีเราก็ไม่อยากเจอแล้วไม่อยากไม่เอาแล้วนะคิดมากง่วงก็ไม่อยากเจอไม่อยากได้เนาะนะคือคือมันเป็นคือเราวางใจไม่ถูกอะวางใ จ, จงกลางๆไม่เป็นนะทังไมเราถึงจะปล่อยดูดนะูเป็นผู้ดูมืนที่หลวงพ่อเขียนบอกเป็นผู้ดูดูมันรู้สึกตัวดูมันหลงเี่ยดูมันคิด พยายามแยกสังเกตใช้ปัญญานิดนึงนเราสามารถจเจริญสติได้ตลอดเวลานะพยายามคือมันมันมันละเอียดอะต่มมาก็สังเกตตัวเองมันก็ละเอียดได้เรียนสังเกตเรียนรู้คือยเพิ่งไปตัดสินเอาผิดเอาถูกเอาอใช่ไม่ใช่นะ บางทีเราก็ต้องปล่อยผ่านไปซะก่อนะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอี ก, กสิ่งที่เราลงหรือว่าความรู้ที่เรารู้เนะแล้วก็รู้บ้างหลงบ้างคิดบ้างฟงบ้างลงบ้างเผลอบ้างนะให้มันเป็นประสบการณ์เนาะปฏิบัติทํามันถ้าเราได้สังเกตเป็นเน่ะมันจะสนุกนะอ๋อเมื่อกี้เราลงไปคิดเราคิดไปเราเผลอไปเรารู้ไปเนี่ย พยายามอย่าพึ่งไปเอาผิดเอาถูกอย่าพึ่งไปตัดสินอย่าพึ่งไปฟันธงนะนะมันไม่มีใครรู้ตลอดเวลานะไม่มีใครลงตลอดเวลาหรอกไม่มีใครดีตลอดเวลาไม่มีใครช่วยตลอดเวลานะเราเห็นเขาทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีมันก็ผ่านจบใช่ไม คนไม่ได้ชั่วตลอดเวลานะคนไม่ได้ดีตลอดเวลาคนไม่ได้ห ล, ลงตลอดเวลาคนไม่ได้รู้ตลอดเวลานะคือมันเป็นอนิจจังอะ่ะมันไม่เที่ยงอะ่ะเห้ยดีบ้างชั่วบ้างหลงบ้างรู้บ้างมันก็จะเพิ่งไปเอาผิดเอาถูกจะเพิ่งไปตัดสินทําไปเรื่ อ, อยประสบการณ์มันก็จะเพื่อเราผ่านอ๋อแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะเราก็พูดอย่างนั้นแล้วก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ทําอย่างนั้น คนมันก็เนี่ยนะขึ้นๆลงๆผิดๆถูกๆถ้าเราไม่ตัดสินอ่ะโอเคให้ปล่อยผ่านปล่อยผ่านรู้แล้วก็ผ่านรู้สึกตัวก็ผ่านไม่รู้สึกกลัวก็ผ่านผ่านไปเรื่อยๆเราเดินทางเนาะแล้วก็ต้องเจอสิ่งต่างๆบ้างในชีวิตเราทั้นเราทําไมถึงจะให้มันเหมือนกันอมืมาทํากับหลวงพ่ อ, อคูบ า, า, ายใจมาทําที่วัดนะ เราเป็นอย่างนี้เนาะกลับไปบ้านอย่าคิดว่าโอ้ไม่มีคนพาปฏิบัติไม่มีคนให้อารมณ์ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีกำลังใจอย่าคิดอย่างนั้นนะเราทำไมทาไงเราถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองทำอะไรเราถึงจะมีศรัทธาต่อต่อตัวเองได้นะนะเปลี่ยนศรัทธาจากศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาวิธีการศรัทธาเรื่องการปฏิบัติมาศรัทธาตัวเองเนี่ยนะมาศรัทธา เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้เราพ้นทุกได้เราปฏิบัติได้เรารู้ได้นะจะต้องเอาตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งนะะเก็บอารมณ์ก็สําคัญอยู่หาโอกาสอยู่คนเดียวบ้างนะอยู่กับเพื่อนนะเปรียบเทียบกันดูว่าอยู่กับเพื่อนกับอยู่คนเดียวนะ อยู่กับวัดอยู่กับบ้านเนียคือให้มันเหมือนกันอย่าให้มันต่างกันทำยังไงมันจะพอดอหีหาความพอดีหาความบาลานให้เจอนะหาความพอดีเจออย่าไปชอบอะไรอะไรอ ย, ไอย่างใดอย่างหนึง่งอย่าไปติดอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งนะดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอานะให้มันเป็นทางผ่านเป็นประสบการณ์ไปเรื่อย เมื่อเราใจเรามันเป็นกลางๆปกติแล้ว เ, เราจะรู้เราจะรู้ว่าความยึดติดทั้งดีและไม่ดีมันเป็นยังไงมันก็ทุกข์โอหักันนะติดดีก็ทุกติดความรู้สึกตัวก็ทุกติดหลงก็ทุกแต่ว่าเวลาติดหลงนะ่ะมันมันเรามักจะจะรู้ได้ไว้นะแต่ว่าติดรนะู้น่ะติด ติสุกติดดีนะมันมันรู้ยากหน่อยแต่เวลาเจอทุกเนี่ยมันมันรู้ง่ายหน่อยมันมันอยากออกเจอสุขเจอดีนะมันไม่อยากออกแล้วมันอยากได้มันอยากรักษาะนี่ยก็ให้รู้ทั้งสองอย่างทั้งสองส่วนก็คงจะฝากไว้แค่นี้นเะเ ว, าวลาหน่อย